ทุกกรณีแหละเ ท, ท่าที่นึกได้ว่าเออตอนนี้เราเจริญสติกับเรื่องนี้ตอนนี้เราจเจริญสติกับการอาบน้ำตอนนี้จเจริญสติก่กับการจัดที่นอนตอนนี้จะเจริญสติกียวับการนอนหลับเนี่ยก <p> ็จะคุ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่านานานที่นึกขึ้นได้นี่ก็มันก็ยากนะเพราะเราจะตกเป็นทาสของทางจัตยานความเคยชินได้ง่าย